การทำการนั่มีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วให้มีการกระทาเกิดขึ้นการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของตัวเราเรื่องของตัวเราก็มีกายมีใจ เรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันก็มีความผิดความถูกความสุกความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงหลยอย่างเราจะมีวิธีปฏิบัติต่อกายต่อใจให้มันถูกต้องมมาไล่ให้เป็นดีมาผิดให้เป็นถูกมาทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ เรียกว่าเอาไปทำปังแล้วเอาไปทำมันก็มีสิ่งที่ทำอยู่เวลาเราปฏิบัติเวลามีการกระทำมันก็มีงานให้ทำงานของกายงานของจิตใจมันไม่เหมือนงานที่เป็นวัตถุสิ่งของ <c oughs> บางทีงานบางอย่างก็ทำแล้วบางอย่างก็ทำแล้วทำอีกหลายข้างหลายหนแต่บางทีบางคนก็ทำไม่ได้หรือว่ายากทำาเไยก็ยากเอาง่ายหาเอาความง่ายหาอาความได้บางทีก็บอกเลยว่าไม่ได้บางทีก็บอกว่าทำได้ นั่นไม่ใช่ปฏิบัติมันเอาความยากความง่ายไปทําเอาความผิดความถูกไปทําเมื่อมันผิดก็ถือว่าผิดไม่พอใจเมื่อบันถูกก็ถือว่าถูกเป็นความพอใจไม่ใช่มีการไม่ใช่เป็นการปฏิบัติทําแบบนั้นปฏิบัติทำไม่มีคําว่าผิดไม่มีคําว่าถูกให้เห็นให้รู้ เหตุ ก, ก็รู้ถูกก็รู้อะไรที่ไม่ใช่ความรู้ให้เป็นความรู้ทั้งหมดอย่าเความยากความง่ายหลงแล้วหลงอีกก็ดีจะได้สนุกเปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลงงาเท่าไหรเปลี่ยนให้มันเป็นไม่หลง ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเป็นตัวปฏิบัติจึงจุดทีกว่าฟังแล้วนำไปปฏิบัติปฏิคือโต้ตอบทักท้วงปฏิคือกลับมาโดยเพาะคารกระทําเนี่ยเป็นวิชากรรมฐานหรือวกรรม <c oughs> กรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งของการกระทำแล้วก็มีอยู่มือบางว่าบนเขาก็มีมือมีสติก็รู้ว่ามืออยู่ที่เขาตั้งไว้ที่นี่หดาิดหนาเขียนอนุบาลไปก่อนเรามีความรู้อะไรมามาก ไม่ใช่เอาสมองเอาความรู้ไปคิดไปค้นไปหาคําตอบจากหาคําตอบจากความคิดไม่ใช่ปฏิบัติธรรมมันเป็นจินตญานเป็นความคิดเอาเหตุเอาผลแต่นั่นไม่ใช่ปฏิบัติเอาการกระทำํำมีที่ตั้งมันไปที่อื่นกับมานี่ก่อน แา่วันจำนีจำนานจำนานกลับมาเพราะเลาะสุขเสือได้เพราะเลาะทุกข์เสือได้มันกลับมาลู่สุขก็ลู่ทุกข์ก็ลู่มันหลงก็ลู่เพราะเลาะหลงมาจึงไม่หลงแล้วก็มีความไม่หลงเพราะเลาะทุก มันก็จึงมีความไม่ทุกข์พอละความโกรธมันก็ยังมีความไม่โกรธล้วก็มีความวางเอเปกขาเมืเม่อไม่เวกขาไม่มีอะไรมาลบกวนพอละกามเสียได้พอละกศละุศลเสียได้มันจะมีไม่มีกามไม่มีอกุศลมันก็จึงมีกุศลเกิดขึ้น เมื่อมีกุศลเกิดขึ้นก็สะดวกอะไรก็ง่ายอะไรก็สะดวกไม่ใช่ง่ายสะดวกผ่านจนถึงที่สุดเมื่อละสุขสุขก็ไม่มีเมื่อละทุกข์ทุกข์ก็มีเข้าถึงทุติยชน เหโลกอางที่พระเจ้าได้สอทยาให้เราฟังการอยู่ที่การกระทาของเราแล้วก็มีให้เราได้ทมอยู่เวลาปฏิบัติก็ให้เป็นการปฏิบัติ แล้วก็เราเดินเวลาเดินก็เป็นการเดินยาวความหน่วยความล้ามาเป็นสิ่งที่อุปสรรในการเดินการทบ้านตัวเช่นการทํางานทํานาทาําราทําไรหลัง้ซ้าหน้าสุดินยาวความยากเจ้าลำบากนาอ้างว่าขณะนี้ก็ทํา แม่จะเงื่อนไหลใครย้อยก็ต้องทำไถนาว่าร้องผ้าผาก็เป็นเรื่องของฝ้าของผลเราก็ไถนาถ้าไปคิดร่วมอะไรที่มันยากวันลำบากมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน มันสะดกกวโกทานาทาไร่ทางานภายนอกว่ตถกที่เห็นก็ไมาหนักไม่เหมือนแสงแดดให้เหมือนฝนตกหวมยอกก็ไม่หนักแต่ยกแต่แบกอะไรรวมถูกก็ไมาได้ได้เป็นสิ่งเป็นดุ่นเป็นก้อนอะไร จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมหน่อยพระเจ้าจึว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่เคยได้ยินคาว่ายากถ้าการปฏิบัติธรรมม่แต่คำว่าได้ทำได้มันหลงไม่หลงก็ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้มันโกรธไม่โกรธก็ได้แต่ว่าทำได้ อะไรก็ตามที่มันเกิดกับปากกับใจทําได้ทําได้ตามใจทํำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ไม่มีสิ่งที่ทําไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับปากกับใจแม้แต่ทางานทาการสิ่งที่เกิดกับปากกับใ จ, ใ ก, ก, ก, บ ก, บใจก็ไม่คําว่าทําไม่ได้ ก็เป็นปัญญาเคยได้ตั้งศัก์จะไว้สมัยปีห้าสเคยไปประเทศอินเดียไปเห็นล่องรอยของพูทธเจ้าไปเห็นสังเวชนิสสถานไปเห็นวัตถุอะไรต่าง เป็นศาสนวัตถุที่คนสามพันปีทําแต่คนสมัยนี้จะทําไม่ได้จะ <c oughs> ทาได้ก็เป็นเครื่องโยนโกลไกโจะภูเขาทั้งลูกให้เป็นศาลาหลังใหญ่ว่าศาลาหัวใจนี่ 2ชั้นสามชั้นเจาะก้อนหินเจาะพระพุทธรูปเจาะที่อยู่อาศัยเ ป, เป็นห้องเป็นห้องเจาะม้อนหมูนเจาะช่องวางสังขาติที่นอนแล้วก็เห็นโอ้เราก็เชื่อนี่ต่อไปนี่ค่าว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดจะไม่มีจะไม่พูด ว่าอะไรก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้จะไม่พูดมีกำลังใจกลับมาว่าจะมาสร้างทางขึ้นภูเขาเห็นต้องลอยพระสงฆ์พระละหันธรรมที่อินเดีย ถ้าเป็นงานก็คิดว่าจะทำไม่กลัวงนานใดๆใการทำความเพียรเนี่ยมันไม่ยากเหมงนกับจับปีด จ, จับขวนจับเปลื่อยจับตาปูมาตีวัตถุที่หนึ่งที่สงต้องหนามา มันมีอยู่กับเราแล้วงานที่เราจะทำนี่จึงเดี๋ยวสะดวกในการทำร่ายให้เป็นดีสะดวกการทำผิดให้เป็นถูกมันก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจเรานี่ให้ให้ถือว่าสะดวกซะ ง่ายง่ายวางวางเวลาปฏิบัติธรรมถ้าเอายากเอง่ายมาทำมันจะเป็นทางขวงกัน้นให้ถือว่าสะดวกวางวางอย่าไปรีบแต่รีบร้อนรีบผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกมันมันจะยากถ้าผิด ถ้าจะพูดถึงสภาพตัวธรรมคือจิตวิญญาณผิดก็อาจจะยิ้มยิ้มถูกก็ยิ้มยิ้มถ้าจะพูดออกมาจากเสียงเจ้าหน ก, ก็อื้เผิดก็อื้ถูกก็อื้อื้อในใจสุกก็อื้งถูกก็อื้นในหัวใจตึกตึกนี่คือสะดวก คือสะดวกกรรมาฐานต้องทำแบบนี้เสมอไม่มีขึ้นตรงตรงเือนแม่น้ำ ม, มันคดแต่น้ำมาเลยคดมันตรงตรงของมันอยู่่วามรู้จักตัวไปในกายแต่มันตรงอยู่เหมือนมันแม่น้ำ ม, มันไหลไปตามที่มันคด มันก็มาจะโคตรตามผมที่ประเทศโคตรเที่ยวไปมันตรงของมันอยู่ความรู้สึกตัวที่ภระในกายแม่จะมีอะไรเกิดกับกายมันก็ตรงคือความรู้สึกตัวอยู่ทุกกรณีจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีความรู้สึกตัวอยู่ทุกกรณีในเกี่ยวกับสุข ก, กับทุกข์ไม่ได้โคตขึ้นโคตลง จะมือไปแบบนั้นนะไอ้พวกปาษาพวกก็ว่าให้เห็นป้าสาวพูกว่าเห็นอะไรก็เห็นนี่คือตรงปฏิบัติตรงอย่าไปเป็นถ้าเป็นมันโคดมันงอมันไม่ตรงก็เห็นนี่มันตรงตรงไม่เป็นนี่ยก็ยิ่งง่ายผ่านได้ ถ้าเห็นมันตรงไม่เป็นมันผ่านน้ำที่มันไหลน้ำใหม่ไหลไปน้ำ เ, เก่ า, าน้ำเก่าไหลน้ำน้เก่าไหลไปน้ำใหม่ไหลามาก็อันเดียวไหลามาเท่าไหร่ก็ตรงไปหมดผ่านไปทั้งหมดเหนพระลหันได้เป็นพระลหันพ่อเห็น ท่นชุงไหลมาตามแม่น้ำไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ฝั่งหันหน้าใส่แม่น้ำเห็นท้นชุงไหลมาตามน้ำบางท่นติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่บางทษก็ไหลไปตามน้ำไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวา ผ่านไปตลอดต้อนสูงที่จึงมาถ้าไหลไปตามร่องก็ไหลไหลไปสูถ้าเหลมหาสมุมดก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองก็รลยได้บรรลุธรรมขึ้นมาเอาวัตถุมากำหนดมารู้มาสน ได้รูดถามได้เหมือนกับพระรูปหนึ่งก็รูปหน่งเรียนอะไรก็มาได้หรว่าอะไรก็มาได้ฝึกดาสาโหดมาขอศึกกับพระเจ้า ตกพี่ชายดา่าสอนอลไก็ไปได้พี่ชายอายเพื่อนไล่น้องชายศึกจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไร น, าานะฮะตานะาเลยไรนะเสื่อมจํามันเสื่อมฮ ะ, ะ, ะนั่นแหล ะ, ะนั่นแหละสาวลูกพี่จะน้องกันพี่ชายไล่ศึกกั็ลองให้มาหาพระเจ้า ว, ว่าจะ ศึกพิชัยไล่ศึกเลาะท่องอะไรก็มาได้พรเจ้าเลยบอกว่าไม่ต้องศึกก็ได้ดอกปฏิบัติธรรมเอาเอาผ้าขาวผืนนี้ไปให้ไปรูปผ้าขาวณนะโจหรันังณนะโจหรันังให้รูปสุูเสมอรูปใจกันะโจฮารัังณนะโจหารันังบริกรรมไปด้วย ผ้าข า, ขาวเมื่อมารูปบ่อยๆผ้าขาวก็เป็นผ้าดำผ้าเพื่อนเกิดขึ้นก็ได้สติปัญญาขึ้นมามาสู่จิตวิญญาณสองตนด้อยประพธตรมตตนนี้เป็นประหารตรงนี้บางทีก็มีวัตถุมากำหนด มาเห็นตัวเองเหมือนกับส่องเงาในกระจกสะท้อนมาถึงตัวเองเมื่อจะคิ ด, ดอย่างใดคิดเรื่องใดก็ปเปื่เพื่อนเรื่อง น, นั้นเหมือนกับสัมผัสสุกก็ปเปื่เพื่อนสุกทุกก็ปเปื่เพื่อนทุกลก้อก็เปื่เพื่อนล้อวงแต่ในจิเดชตัญหาก็ปเปื่เพื่อนในจิเดชตัญหาจากที่เป็นความสอดก็เป็นความปเปิดเพื่อนได้เหมือนผ้าจิต วิญญาณเราก็เนินเดียวกันเลยบรรลุธรรมตรงนี้นั่นเป็นภายนอกยังได้บรรลุธรรมได้แต่นี่เหมือนเกิดกับภายในของเราจริงๆคือมีกายมีใจล้ออีคนผ่านคนมาพูดแต่ปัญหาเรื่องกายเรื่องใจต้งพูดั้งร้องไห้ก็มี ตามตาจึก็มีเมื่อพูดถึงเรื่องใจให้เกิดความร่งให้ได้ก็คือเรื่องของจิตใจแท้ๆมันทุกข์ก็ทุกข์ไปให้ทุกข์เป็นทุกข์ไปแทนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ให้หลงเป็นหลงไปไยแทนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ ในความหลงมันมีความไม่หลงปฏิบัติได้ให้ผลได้อยู่ในความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์ปฏิบัติได้ให้ผลได้อยู่ในกิเลสตัณหาลาภามันเกิดขึ้นก็ปฏิบัติได้ต่อกิเลสตัณหาลาภ์ที่เกิดขึ้นปฏิบัติได้ให้ผลได้ว่าแต่มีการกระทำสิ่งที่มาเกิดกับปากกับใจ จะให้มันเป็นจิงมีวิธีบอกสั้นๆว่าเห็นอย่าเป็นเนี่ยอะไรที่มาเก่กับกายกับใจให้มีสติเห็นพบเห็นรู้เห็นสัมผัสมันต่างกันความรู้กับความที่มันเป็นไปต่างๆมันต่างกันอยู่แล้วก็กลับมาได้อยู่โดยเฉพาะวิชากรรมฐานที่ตั้งมันตั้งอยู่ที่นี่ เ ห, เ, เหมือนเราไต่สะพานมีเราจับถ้าหันเซไปก็จับเราซะกมคือที่ตั้งของการกระทำเนี่เหมือนเราสะพานจับได้เซไปก็จับขึ้นมาได้ไต่ไปไต่มาไม่ต้องจับเราก็ได้มันชำนาญมันเป็น้วว่าทำให้มันเป็น นส่เมื่อมันเป็นแล้วไม่ต้องอาศัยหล่าวช้เวลาเราจะตายจะมาสร้างจังหวะได้อย่างไงเวลามันเจ็บจะช่้ยงจังหวะได้อย่างไงจะยกมือเคลื่อนไหวจะเดินจะกลมได้อย่างไงมันเป็นมันใช่มันมันมันได้ใช่แล้วมันมีแล้วมันมีความไม่ทุกข์มันมีความไม่หลงมันเหนือทุกอย่างแล้ว เหมือนเหาสาร่อยายพระสูตรว่าเพราะเราสุขเราทุกข์มันจึงไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันมีแล้วมีไม่สุขมีไม่ทุกข์มันก็เหนือลูปหนือแก่เหนือเก็บเหนือต่ยมันเป็นทาให้มันเป็นมาใช้ให้มันรูปความรูปเนี่ยมันมันยังใช่มาได้สําหรับ จิตวิญญาณอ่านรู้โน้นรู้นี่ใครก็รู้ทุกขใครก็รู้สุขใครก็รู้โกรธใครก็รู้ว่าดีว่าไม่ดีแต่ยังมีทุกข์ยังมีโกรธความรู้นี่มันไม่ใช่ปรมาจั จ, จถ้าเราสัมผัสได้มันต่างกันอยู่ความโกรธเป็นสมมติปัญญาตความไม่โกรธเป็นปรมาจั จ, จ มันจึงโตกันเป็นทำรรก่๋กันนี่การสัมผัสตากิตวิญญาณแล้วก็สัมผัสมามากมากันหลุดออกไปมากจนไม่จนมีความจนไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่ก่อนมีสุขมีทุกข์พราะสุขเราทุกข์เสียได้มันจึงไม่มีสุขไม่มีทุกข์ แต่หรือว่าปรามั์จะให้มันฉุกมันทุกมันไม่มีมันก็ต่างกาันก็เหนือโลกเหนือเกียเจ็บตายต้องหัดไปตั้งแต่นี่ตั้งแต่มันหลงให้รู้นี่ถูกแล้วให้รู้อะไรเกิดขึ้นมากับความกับใจรู้สึกไม่เป็นไปกับมันนี่แต่รู้มีแต่รู้นี่มันสะดวกนะ ถ้าเป็นแลมันยากมันลําบากมันหนักมันมียากมันมีง่ายมันมีได้มันมีไม่ได้มันมีผิดไม่ถูกก็รูปถ้ารูปถ้ารูปมันเหนือไปแล้วไปสูงๆแบบนี้้เปลี่ยนมาเป็นรูปเป็นรูปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอาจจะไม่ถึงเจ็ดปีนะถ้าเปลี่ยนได้แบบนี้ ก็เข้าถึงคุณธรรมของพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งแน่นอนทางตรงๆอย่างนี้ตรงอยู่ที่การกระทําอย่างนี้ไม่ใช่เวลาภายเราตรงไม่ใช่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ดูชื่อไหนตรงอยู่ทุกที่ทุกทางกายอยู่ไหนใจอยู่ไหนตรงต่อมันตรงต่อธรรมอยู่เสมอ ปฏิบัติตงปฏิบัติดีปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรเป็นตัวปฏิบัติแต่จะเป็นพระสงฆ์เป็นตัวปฏิบัติไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบบรูปแบบเป็นสมุติสงฆ์วะชาสงฆ์ที่เป็นพรลัตละลายสงฆ์พลัตนะลายเกิดจากปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสมควรสม่ำเสมอ นั่นเยว่าสงฆ์พระอยายะเมตไตรสงฆ์พระรัตนไตรอะไรก็เป็นได้สงอย่างนี้นุ่งกางเกงขาส้นขายาวก็เป็นได้ผู้หญิงผู้ชายใส่ถุงสีดอมสีอะไรก็เป็นได้เป็นตัวได้โดยตัวปฏิบัติมีมาแล้ว ปฏิบัติทำมันเป็นสากลไม่เลือกชั้นบรรณะเพศวัยดัตตินี้กายไหนเป็นสากลเป็นหนึ่งเดียวที่จะต้องปฏิบัติต่อกายต่ อ, อใจกายใจก็เหมือนกันหมดคนทุกปฏินิกายชาติภาษาประเทศชาติไหนก็เหมือนกันมีกายมีใจมันก็เป็นรูปเป็นนามมีสามลักษณะเสมอกันหมด นีกายมีใจนี่ให้ต่างกันกับอะไรจะ ต, ต่างกันก็คือตัวปฏิบัติหลงจนตายก็มีทุกข์จนตายก็มีโกรธจนตายก็มีบางคนก็หลงจบลงที่ควาโกรธจบลงไปแล้วความหลงโกรธจบลงไปแล้วสิ่เคยทุกข์ก็จบไปแล้วสิ่งเคยหลงก็จบไปแล้ว จะไม่โกรธก็จบเราจบไปจนถึงไม่มีอะไรแม้แต่สุขแต่ทุกข์ก็ไม่มีแล้วเหรียญจบมันจบเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจแต่ไม่ใช่เหรียญแบบหมายแพทย์หมายแพทย์ก็เหรียญเพื่อจะมารักษาโรคภยัยไข้เจ็บที่เกิดกับกายลู ก็เป็นวิยทยาศาสตร์ในจันทร์ <c oughs> ยาใช่ได้เป็นศาสตร์ที่แน่นอนที่สุดในการรักษาโครคไข้ไเจ็บเหมือนลูกชัดเกีย่ยวดวงหน้าที่หลังที่ไปที่มานะตาเคยไปนอนอยู่โรงพยาบาลสองปีด้ เห็นหมอทํากับเราที่เราป่วยอย่างหนักเป็นโรคมะเร็งอันดับที่4มีชั้นตอนอย่างดีเป็นจังหวะโต้จองดีใช่เกี่ยวกับโรคอย่างดีเราเห็นหมอทํางานสมพัดสมเพันกันตุกระบบมันก็หายได้โรคมีวัตถุที่1ที่สองตรงใช่ เหมือนเชื่อทองจำนวนมากทีจีไม่เก่งพอมาใายครั้งหนึ่งหกมืนบาทจีโม่โหลดนึ่งเป็นแสนพอ ม, มารักษาโลกนั่นก็เป็นส่วนโลกที่เกิดกับลูก แต่ว่าโลกที่ความให้เกิดเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้ความโกรธเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นไม่โกรธเองหรืเ อ, อเป็นทุกข์น่ยมันมีใครช่วยได้งั้นก็พูดเมื่อวานก่อนว่าให้มีเหนือโลกก่อนจะหมดลมหายใจสจัก5านาทีก็ยังจะพอมีประโยชน์ถ้าไม่ทำได้เดี๋ยวนี้ เหมือ น, นกับว่าตกกระไดพลอกระโจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ตกกระไดยังไม่มีกีฬาไม่แสดงอขาถ้าตกกระไดคอยกระโจนมันก็ไม่เก็บไม่เก็บเพราะความเก็บไม่ตายเพราะความตายชักห้านาทีเอาอย่างนั้นหรือจะให้ไปสอนอยู่ในห้องไอซียูมันก็ไม่ได้นไอยน้อย เหมือนพระเจ้าสุโธสนะอาวุจจาปะนั่งสอนตอนประชวนหนักได้ประรู้ธรรมก่อนชิ้นลมหายใจภายในห้านาทีตอบสนอแต่บางคนไม่ได้สอนยังไงก็ไม่ได้มันมืดมัน ไม่รู้ทิศทางอะไรงี้จะหลง เ, เป็ยไปสอนโยมคนหนึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งมีลูกเขยมีฐานะดีขายชิ้นได้หลายร้อยล้านบาททำแต่บุญลูกสาวก็ก็เป็นห่วงหลงเป็นในบุญไม่ค่อยปฏิบัติ ทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆสิบล้านสร้างพุทธรูปให้วัดแต่วัดเจ้าว่าที่สร้างก็ยังไม่เสร็จอีกล้านหนึ่งกจะเสร็จอีกสองล้านที่จะเสร็จมาเอาเงินเรื่อยมาขอเรื่อยว่าห้าล้านจะเสร็จหล้านจะเสร็จก็ไม่เสร็จจกักจี ถึงสิบล้านก็ยังไม่เฉดดีก็นั่งยินหมากตำห ม, มากกักั ก, กแล้วก็นั่งสอนให้รู้สึกตัวมาฟังแป๊บเดียว ก, กับไปพูดเรื่องสร้างพระประธานใหญ่เท่านั้นก็ไม่เฉดเด็บวินี้ว่าจะดเฉิดๆหรือเปล่าปูน อ, อยู่คนเดียวน่าสงสาร ไม่มีสติเลยมือแต่มือกับกุญแจหมักไม่ออกจากกันเลยตั้งปากก็พูดเรื่องทอดกระถิ้นเรื่องทอดป้าป่าอยู่เสมอน่าสงสาระาใช้เงินใช้ทองประสิบล้านอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้น่ากลัวนะรูปนามนี่ มาไล่ไปเป็นดีมามืดมาสว่างเป็นมืดไปได้ถ้าเราปฏิบัติมามืดเป็นสว่างได้ตัวปฏิบัติเป็นตัวที่สกิดขีดเช่นในชีวิตของเราไปสู่ที่ผิดที่ถูกปันที่ผิดไปสู่ที่ถูกตายงานเช่นนี้หรืองานกรรมฐานเป็นคู่มือของกายของจิตใจ เหมือนกับอะไรก็เป็นคู่มือของสิ่งนั้นทำขนมก็มีคู่มือทำขนมทำอาหารก็มีคู่มือทำอาหารสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีคู่มือการเรียนอย่างอาจารยงฉินก็เรียนมาอาจารย์ตึ้งก็เรียนมาสารปัดมีคู่มือการเรียนน่ยแต่ดนตรีก็เรียนน้องตาก็เรียนดนตรีมาแล้วก็มีโนู๊ มือมันไม่หนีจากโน้ตไปไหนแต่ต้นหัดที่หัด้ไปกับโน้ตเนี่ยต้องเล่นต้องหัดนิ้วหัดนิ้วมือแห้วันขึ้นมันก็หัดพิมพ์ดีดหัดอะไรนี่ให้มือมันหัดไปเต้นไปทีเดีวก็มีหัดไปต่ไปต่อมาไม่ต้องหัดมันเป็นหรือว่ามันเป็นมันจะเต้นไปเองมือก็เต้นไปหาตัวอักษรเอง ต่อไม่ต้องดูอจนตีขก็มือมันก็เต้นไปหาโน้ตของมันเองไม่ได้บอกไม่ได้หัดเป็นรูปคำอะมันเต้นไปเองจับขุยก็ไปหาลูขุยจับชั้นก็หาลูชั้นจับละนาดอะไรสีสอบก็เล่นไปของมันเองนี่ปฏิบัติธรรมไม่มีวัตถุทิ้งที่โส ม, มันอยู่กับเราเนี่ยน่าเสียดายเว้ย มาให้หลงเป็นหลง่อยทุกเป็นทุกนะมาจากงูจะดื้อด้านไปจากไหนชีวิตเรานะ่ะพอหลงก็บลูกขึ้นมานดิเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาเหมืนการทํามานโด่งที่หนึ่งก็บลู่ที่หนึ่งหลงลอยข้างกับลู่ทันลอยข้างมันผิดก็บลู่มันถูกก็บลู่มันทุกข์กนะับลู่เนี่ยยืนวะ อ่าอ่าสมควรจะตอบโทษก็